จะได้มาพบกันอีกถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่ได้พบแล้วแต่คนเราทุกคนนี่มันจะต้องหยุดหายใจลงสักวันหนึ่งแต่จะอยู่ใันได้ตลอดคงไม่มีแต่ว่าในเมื่อเรายังหายใจอยู่เราก็ต้องทามากขึ้น หน้าที่จะคือว่าทำยังไงเราจะทำหน้าที่ที่เราเป็นคนหรือ ว, ว่าเป็นมนุษย์นี้ให้สมบูรณ์การจะเป็นคนได้สมบูรณ์หรือว่ามนุษย์ได้สมบูรณ์นี่มันต้องมอีการเสียสละทำให้แก่ตนแล้วก็เสียสละให้แก่สังคมเสียสละให้แก่บุคคลผู้อืน่นหรือว่า ทำชีวิตให้สมบูรณ์หลวงพ่อก็มาคิดอย่างนั้นเป็ได้มีกสร้างโรงเรียนคูสมาธิเพื่อเพื่อทาํทาชีวิตของตัวเองให้สมบูรณ์เม mm. ื่อทาําชีวิตให้สมบูรณ์ได้แล้วก็มีอะไรชีวิตก็กลายเป็นชีวิตที่ดีข้า อล่างคนเราเนี่ยมันมีสําคัญอยู่ที่ทำอย่างไรไอ้พลังจิตนี่มันถึงจะเกิดขึ้นมาให้กับเราได้มากที่สุดเรื่องของพลังจิตเ้าก็ได้พูดกันมาแล้วมากมายจากพลังธรรมดาจนกระทั่งถึงจุดพลังอำนาจไอ้จุดพลังอำนาจเนี่ย ที่เราทุกคนต้องการคือในการสอนสมาธิเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งคือจุดพลังอำนาจเราทําจุดเราทําสมาธิไปทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็เพิ่มข้อเราไปทุกวันเมื่อเพิ่มข้นไปทุกวันเนี่ยมันก็มีสักวันหนึ่งที่มันจะไปถึงจุดพลังอำนาจทีนี้ จุดพลังอำนาจเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างจุดพลังอำนาจประโยชน์มหาศาลแล้วก็จุดพลังอำนาจนี้ไม่ได้เหวี่ยวิสัยที่เราทุกคนจะไปถึงได้เพราะว่าอยู่กับตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวนี้เองเนี่ยอยู่ในตัวแล้วแล้วทำไมเราถึง อทำไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังสร้างสิ่งที่จะไปหาจุดนั้นยังไม่ยังไม่ได้หรือยังไม่ได้เริ่มต้นแต่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เริ่มต้นแล้วเมื่อเริ่มต้นแล้วมันก็จะต้องไปถึงจุดมันจนได้เพราะอะไรเพราะว่าใจของคนเราเนี่ย มันจะมีอยู่สิ่งหนึงที่เรายังไม่รู้สิ่งนั้นก็คือไอ้ความกระตือรือร้นในจิตใจเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติคือคนเราเนี่ยพอเราได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีอย่างที่สองต่ออย่างที่สองแล้วมันจะอย่างที่สามต่อ อันนี้คือธรรมชาติของใจของคนเราเพราะฉะนั้น mm. เมื่อเราได้มาศึกษาเรื่องสมาธิ mm. เมื่อเราศึกษาเรื่องสมาธิแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยหลวงพ่อก็สอนวิธีการทําใหเ้เราก็ดําเนินการมาถึงเทิมที่สองแล้วเมื mm. ่อมาถึงเทิมที่สองแล้วเนี่ย แการเดินทางมาเนี่ยเราได้พบพลังจิตเยอะแต่ทุกคนนะต้องทางที่เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมาทำถึงเทิมที่สองแล้วเราไม่ได้อะไรไม่ใช่อย่างนั้นเราได้มาเยอะแล้วถ้าหากว่าตัง้งแต่ออดิพูดจนว่าตั้งแต่ยังไม่ได้มาเข้าโรงเรียนสมาธิเนี่ย ในการเดินที่จะเข้าสู่พลังจิตเนี่ยเรายังไม่ได้เริ่มต้นแต่คนที่เริ่มต้นมาก็คิดว่าควรจะมีเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอจุดประสงค์ของการทําสมาธิมันอยู่ตรงไหนจุประสงค์ของการทําสมาธิอยู่ที่พลังจิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่ม ทำสมาธิตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเราก็จะได้พบว่าไอเราได้พลังจิตขึ้นมาแล้วและเราจะสํารวจตัวเราเองได้ว่าในขณะนี้พลังจิตเรานั้นได้ขึ้นมาถึงไหนอันนี้อันนี้จะต้องรู้อ่ะรู้เองเล ย, เยว่าอพลังจิตของเราเนี่ยได้มาถึงนี่แล้วอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่า ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะพูดเอ่อเอาใจเอาใจนักศึกษาไม่ใช่พูดเอาใจนะักพูดความจริงอ่อาพูดความจริงชื่วว่า อ, าอย่างที่เราไปหัดทากับข้าวอย่างเนี้ยในขณะเดียวกันเราก็ได้กินไปแล้วอ่า กินไปกินมาบางคนกินมากๆไปกิจนจนอิ่มเมื่อเรามาศึกษาสมาธิในทางภาคคลิสตีเนี่ยที่เราได้ศึกษาอยู่เนี่ยในขณะเดียวกันเร้องพ่อสกพาทำสมาธิด้วยอันนี้จะเข้ากันกับว่าได้กินรสไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่ออพลังจิตนี้มีมากเพิ่มขึ้น เอ้อเออเออความกระตือรือร้นในจิตใจเนี่ยจะต้องเกิดเมื่อเกิดคือว่าเราได้ดื่มรสหมายความว่าได้ดื่มรสความสุขได้ดื่มรสความสุขที่เกิดจากสมาธินี่มันก็เกิดไอ้อออความกระตือรือร้นในใจของเราเมื่อเกิดความกระตือรือร้นแล้วเราก็พากันมาอย่างทุกคนขึ้นมาเนี่ยคิดว่า ไม่ไม่ง่ายบางคนใช้เวลาสร้งนานเกวยาจะมาได้อย่างนี้เมื่ อ, อตั้งการเรียนขึ้นมาตั้งแต่ต้ น, นจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ปรากฏว่าการเดินทางมานี่ก็เดินทางมาอยากจะมั่นเสมอเยี่กว่า เรียนกันอย่างปกตกิสม่ำเสมอทั้งนี้ทั้งนั้นกไ็ไม่ได้มีอะไรมาเป็นเครื่องบังคับกันเรียกว่ามาด้วยจิตใจทั้งนี้ก็เพราะว่าการมาเรียนเนี่ยผลมันออกมาผลมันออกมาทำให้เกิดขึ้น แต่ทีนี้ในวันนี้มาถึงข้อที่สิบสี่หมายความว่าเราจะเเรียนมาถึงข้อสิบสี่ 14. ก็คือสมาธิกับการรวมคณะสมาธิเนี่ยมันจะมีอยู่ออสองอย่างเป็นหมายความว่าทําด้วยตนเองแล้วก็ทําด้วยการรวมคณะ การทำสมาธิมีสองประเภท ค, คือสมาธิส่วนตัวและสมาธิรวมคณะความแตกต่างของสมาธิทั้งสองประการมีดังต่อไปนี้หนึ่งสมาธิส่วนตัวเหมาะที่จะทำนานๆหวังผลในทางก้าวหน้าเร่งความเพียรอันนี้ต้อง เป็นการผ่านสมาธิมาพอสมควรเพราะเป็นผู้มีความตึงตัวของตัวเองมากสมาธินั้นต้องใช้เวลานาน <c oughs> เป็นเวลาที่ว่างถึงจะทำได้เพราะโอกาสต่างๆของบุคคล น, นั้นไม่เหมือนกันดังนั้นการทำเฉพาะตัวจึงเป็นโอกาสมากที่สุดในโอกาสต่างๆนั้น สำหรับผู้สนใจย่อมหาโอกาสได้ในแต่ละวันในวาระต่างๆส่วนส่วนตัวหมายถึงการรับผิดชอบในตัวขพนตนเองคือผู้ที่ได้รับทราบวิธีการต่างๆแล้วจเจริญงอกงามนั้นย่อมจะเป็นไปได้ตามความสามารถเพราะความสามารถการเวลา แต่ละบุคคลไม่เหมือนกันจึงต้องทำมาโด ย, โดยเฉพาะในที่นี้นั้นหมายถึงว่าเมื่อเราอยู่ที่บ้านเราก็จำเอาข้อการปฏิบัติที่เราที่ได้แนะนำไปแล้วนี้นำเอาไปทำเพราะว่าการทำที่บ้านนั้นหรือว่าเรามีโอกาสในที่ต่างๆนั้น เราก็หาโอกาสทำให้แกตัวของเราได้อันนี้ไม่ห้ามกันใครจะทำยังไงก็ทำได้แต่ยังไงก็ตามในสถานการณ์เช่นนั้น เ, เราก็จะต้องรู้จักประมาณตัวเราไม่ใช่ทำจนกระทั่งเราทำการทำงานไม่ได้อันนั้นมันเกินไปหรือว่า ทําจะจิบจ่อยมันก็น้อยเกินไปอย่างนี้เพราะว่าการทําให้มากมากมนั้นบางทีเราคิดว่ามันได้นะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยทํามากๆ ก, กลับสู้การทําน้อยๆไม่ได้ก็มีอย่างนี้บางคนทํานั่งหลับไปเลยอย่างเงี้เอาหมอนมาถึงก็มาอิงข้างหลังใช่ไหม อ่ามาอมาเอียงข้างหลังพอเอียงข้างหลังมันก็สบายเซ่ยี่เนี้ยอ่าพอสบายเอียงนั่งเอียงไปพุทโธไม่ถึงไม่ถึงสามคำอ่ะหลับฟรีเลยเอ่าอันนั้นมันไม่ได้อะไรอ่ะอ่าหมายความว่านั่งหลับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านั่งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะนั่งนานมไอไอ้ผลที่มันออกมามันไม่มาก แต่คนที่นั่งแล้วเนี่ยเอจะรู้ตัวไปที่ว่านึกพุโทโธพุโธพุโทโธรูร้ว่ากําหนดมีความรู้ตัวไปเนี่ยอสักยี่สิบนาทีอย่างเนี้ยได้พลังจิตเยอะเอเยอะกว่าที่เอาหมอนมาองิงแล้วก็หลับไปเลยเอมันเป็นอย่างงั้นเอเพราะฉะนั้นอตรงนี้ที่เราไปทําคนเดียวเนี่ยอ า, อาจจะไป เอาหมอนมาเอนหรือว่าเอนหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้อย่างที่ว่าอธิบายให้ฟังว่าคนที่นั่งสมาธิเนี่ยะบางทีคิดว่าเมื่อนั่งสมาธิและจิตมันสงบไปรวมสบายอันนั้นก็มีรวมสบายแต่การรวมสบายนั้นอ่ะไอพลังจิตมันไม่มันได้แมืนกันแต่น้อยะแต่ส่วนที่ เราทำสมาธิที่มีความรู้ตัวอยู่นี่อันนี้เราจะทำรู้ตัวได้นานเท่าไหร่อย่างบางทีเรานั่งกันสามสิบนาทีเนี่ยเรารู้ตัวอยู่ได้สักสิบนาทีแล้วเราก็ปล่อยไปเลยอย่านี้ไอ้อที่มันต้องได้นะ่ะมันอยู่ตรองสิบนาทีนะ่นไอ้ทองปล่อยไปเลยนะั่นคือมันเป็นผลแค่นิดหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปนั่ง ส่วนตัวเนี่ยเราต้องทำสติคือทำสติให้ดีทีนี้บางคนอย่างเงี้ยพอทำจิตสงบไปพอสงบไปแล้วเนี่ยมันก็หลับพอหลับแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นก็คือฝันอย่างเงี้ยแล้วก็ฝันเห็นเทวดาเห็นอะไรไปเลยทีนี้สารพัด ไปเห็นไปขึ้นมาถึงเสร็จแล้วก็มาบอกหลวงพ่อว่าเมื่อคืนนี้ทัานนั่งสมาธิโอ้โ ห, โโหไปภูเขาเห็นเทวดาวอยู่ยอดนู่นยอดนี้อะไรก็สารพัดแต่แท้ที่จริงมาหลับฝันไปนี่งั้นอันนั้นอ่ะคื อ, ค, อ, ค, อคือผลไม่ออกมามากอันนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าเวลาที่เราไปทำส่วนตัวเนี่ย เราควรจะทำอย่างไรเช่นอย่างว่าเราจะทำสัก30นาทีอย่างนี้ในระยะ30นาทีเนี่ยเราจะต้องรู้คือเรารู้ว่าถึง30นาทีเราก็ลืมตาพอดีอย่างนี้ถือว่าเรามีสติพร้อมถึงแม้ว่าจิตมันจะเข้าผวังไป อมันจะเข้าผู้วังไปรวมไปไปตามแต่ว่าพอพอได้เวลานี่มันจะรู้เลยว่าเวลานี้เราจะต้องลืมตาถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแม้มันจะเข้าภูวังไปผลก็ยังออกมาดีอ่ <c oughs> ผลออกมาดีแต่ว่าถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิอย่างนี้โดยกำหนดว่าเราจะเอาสักสามสิบนาทีนี่เล่นเข้าไปสมชั่วโมงอย่างเงี้ย สามชั่วโมงลืมตาขึ้นมาอ้าวเลยจากเวลาที่เรากําหนดสามชั่โมงนั่นนั่นแปลว่าเอาเราหลับไปแล้วเอคือมันไปอยู่ในในฐานะที่พลังจิต เ, เกิดขึ้นมาน้อยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการแนะ น, นําำแนะนําในส่วนที่ว่าเราจะไปทําด้วยตัวเองแต่การทําด้วยตัวเองนี้ถ้าหากว่าอผู้ที่ อย่างพระอาจารย์อย่างนี้อย่างสมัยหลวงพ่อไปนั่งสมาธิกับพระอาจารย์มัน่นในคืนวันหนึ่งหลวงพ่อนั่งสมาธิอยู่กับท่านแต่ไม่ได้นั่งสมาธิในตัวกดตัวที่เห็นกันนะเราอยู่ขนรกกลรกรดก็ห่างกันหน่อย ทีนี้วันนั้นอหลวงพ่อก็บอกว่ า, เ, าเราจะนั่งสมาธิให้มันเต็มที่เลยหมดคืนนี่แหละ ว, ว่างั้นได้ไหนมาใกล้กับพระอาจารย์แล้วอาจารย์ผู้ทรงความแย่ยิ่งใหญ่แล้วเราจะต้องเอาพลังจากท่านให้เต็มที่ว่างั้นวันั่งนั่งบางคนจะนั่งหลับฟีไปแบบไหนไม่รู้แต่ว่า ท่านอยู่อีกกดหนึ่งอะท่านรู้เดินขึ้นมามาถึงก็เปิดกดเลี้ยงปุบเราก็ตกใจสิทีนี้นะครับ <c oughs> ว่างั้นแกผิดแล้วแท้ที่จริงเรานั่งไปตั้งสองชั่วโมงแล้วท่านก็นยังไปบอกว่าเราผิดแล้วก็ แ, แสดงว่าไอ้สติเนี่ยมันคุมเราไม่ได้ในในตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงทีนี้ ท่านก็นเรียกหลวงพ่อไปนั่งอธิบายให้ฟังว่ า, เ, าเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยไม่ได้หมายความว่ า, าการนั่งนานนั่นนะมันจะมีประโยชน์มากกว่าการนั่งไม่นานที่จะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์อยู่ที่สติทีนี้ถ้าเรามีสติไม่เพียงพอแล้วมันก็เข้าพวังมันหลับไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอสานี อาันเย่เนี่ยผลมันไม่ได้มากอันนี้อธิบายให้ฟังถึงเรื่องการทำส่วนตัวนะอะทีนี้ถ้าเราไม่ทำสมาธิในเวลาอันควรทำเราก็จะเสียเวลาไปในเวลานั้นๆอาจจะเป็นประโยชน์แก่ตนและการทำเฉพาะตนนั้นเมื่อผลบังเกิดขึ้นเราก็อาจจะต่อเวลาได้ตามต้องการ หรือตัดเวลาได้ตามต้องการแต่ว่าเราจะตัดเวลาเสียส่วนมากคือเมื่อเวลาเจ็บปวดเมื่อยไม่อดทนเลิกเสียทำให้ควรจะได้สมาธิให้มากขึ้นก็เสียโอกาสไปถ้าเป็นเช่นนั้นก็ควรจะไปเข้าหาที่เขาทาสมาธิเป็นคณะเพื่อให้เราได้มีธรรมชาติคอยช่วยเราด้วย เรื่องจะพักตัวเป็นงานถาวรเพราะสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องการและต้องการการต่อเนื่องเมื่อมีการขาดจังหวะไปมากๆ ก, ก็จะมีการเบลอการเบลอหมายถึงการขาดความล่องตัวของสมาธิคือหมายความว่าถ้าเราทาเองเนี่ยมันจะเป็นการต่อเนื่องสมมติว่าไอการทำโดยคณะเนี่ย บางทีเราก็อาจจะต้องไปทำนา น, น, านครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อเราทำเองเนี่ยมันสามารถที่จะทำต่อนเนื่องไปได้เพราะว่าเรื่องของจิตใจนั้นมีอารมณ์หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายที่จะรบกวนการรบกวนต่างๆนี้เป็นทางที่จะก่อตัวให้เกิดความฟุ้งซ่านอันจะเป็นเหมือนดินหอกหางหมูเกาะติดในใจ แล้วผลมันก็ออกมาคือความเบลออันอาจจะแปรสภาพจิตของเราให้อ่อนตัวลงได้เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ตามมาคือการถอยศรัทธาเริ่มที่จะเห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนี่คือความต่อเนื่องดังนั้นการทําสมาธิเฉพาะตัวจึงมีความจำเป็นแม้ว่าจะอยากหรือไม่หรือความขัดข้องเกีดจคร้าน ต้งหาทางแก้ตนเองทุกอย่างเหล่านี้ผลประโยชน์ที่นักสมาธิจะต้องมีการเรียกร้องสัทธาในตัวเองจนกว่าจะเกิดการอยู่ตัวจึงเป็นเหตุการณ์ที่ตนของตนจะพึงเข้าใจตัวเราเองที่จะทราบว่าจะเป็นประโยชน์อันแท้จริงแต่จะไม่เป็นการทําให้เกินกําลังพอดีพงงามที่จะรู้ว่าเราทําได้แค่ไหนเพียงไร และถ้าทำมากเกินไปจะทำให้เสียงานของเราซึ่งเราจะต้องทำเพื่อความสบายอกสบายใจในการ<ม>ทำโดยไม่ให้เสียกิจการอื่นๆที่ครอบครัวกองเรากำลังทำอยู่หมายความว่าเราทำสมาธิเพื่อให้เกิดสุขอันนี้เป็นการอธิบายสำหรับการทำสมาธิในส่วนตัว ส่วนการทำสมาธิที่เป็นคณะนั้นคือว่าจิตใจของทุกๆคนคิดถึงกันได้เราจะอธิบายถึงว่าใจคนเราเนี่ยมันคิดถึงกันได้อย่างอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไกลๆอย่างนี้มันคิดถึงกันได้คิดแล้วก็ถึงด้วยอย่างคนที่ชอบพอกันเนี่ยเวลาจใครจะอยู่ใต้คนหนึ่งอยู่เหนือ มันก็คิดถึงกันได้จิตใจเนี่ยและพลังจิตก็ช่วยกันได้เมื่อมีการรวมตัวและมีความคิดในเรื่องเดียวกันย่อมเกิดพลังเท่นทหารมากๆรวมเป็นกองทัพเมื่อมีใจตรงกันที่จะเข้ารบกับข้าศึกย่อมจะเกิดพลังชนิดหนึ่งขึ้นคือความกล้าหาญหรือ อ, อย่างทหารเนี่ย ถ้าไปคนเดียวอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีพลังแต่พอเวลาที่มันไปรวมกันมากๆคนเนี่ยมันจะเกิดทึกเขิมขึ้ น, นมันก็เกิดความไม่กลัวตายขึ้นอันนี้มันเกิดขึ้นจากพลังที่เรียกว่ามันไปรวมอยู่จุดเดียวกันคือไปรวมอยู่ที่ว่าจิตใจจดจ่ออยู่ที่ข้าสึกยังไงเราจะต้องเอาชนะข้าศึกให้ได้อันนี้คือ จิตใจตรงกันหรื อ, เ, อเช่นการรวมกันเดินขบวนมีวัตถุประสงค์อันเดียวกันมีคนนับพันนับหมื่นนับแสนก็มีพลังการเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการพลังเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความมุ่งหมายจดจอ่อจิตใจของเราเนี่ยจิตใจของคนอะ่ะมันไปอยู่ที่อันเดียวกัน คือมันพอมไปอยู่ที่อันเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะไปเกิดพลังอํานาจเพราะว่าไอการที่ไปจดจ่ออยู่ทีออ่อันเดียวกันนี้มันจะเกิดพลังอันหนึ่งแต่ว่าพลังอันนี้ก็คือการพลังเรียกร้องอใครถูกเรียบร้องก็นอนไม่หลับอะไรอย่างนี้มันจะเกิดพลังที่ใจเนี่ยมันจะเข้าที่อธิบายมาอันเนี้ย ต้องการแค่ว่าจะให้รู้ว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมันประสานงานกันได้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ว่ามาถึงผู้ทำสมาธิผู้ทำสมาธิมีมีจิตมุ่งสู่จุดเดียวกันคือประสงค์จะให้สมาธิเกิดขึ้นและจิตมุ่งสู่จุดเดียวกันนี้เองทําให้เกิดพลัง เกเวลาที่เรามานั่งสมาธิรวมกันเนี่ยไม่มีใครคิดไปอย่างอื่นนอกจากคิดว่าจะให้มีสมาธิอย่างนี้ให้เกิดสมาธิจิตนี้มันพุ่งไปสู่อันเดียวกันเมื่อพุ่งไปสู่อันเดียวกันเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นพลังอันหนึ่งย้อนกลับมาหาเราอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> แต่ในเรื่องของสมาธิที่เป็นไปในทางสงบ คือทำให้ต่างคนต่างได้สิ่งประสงค์เช่นเดียวกันแน่นอนที่สุดก็คือจะได้รับความสงบด้วยกันเพราะกระแสของจิตนั้นมีกระแสออกไปเป็นอัตโนมัติและกระแสนี้มีอิทธิพลในตัวของมันเองและมุ่งสู่สมาธิเมื่อมุ่งสู่สมาธิก็กลายเป็นอิทธิพลทำให้เป็นการต้านอารมณ์ได้ ดังนั้นการสงบจิตของแต่ละบุคคลจึงเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทำสมาธิจึงปรากฏผลที่ซึมซาบเข้าสู่จิตเป็นความสงบชนิดหนึ่งและเป็นสิ่งที่ทำให้ได้สมาธิการทำสมาธิเป็นคณะจึงจำเป็นจะต้องมีแก่ผู้ประสงค์อิทธิพลแม้จะเคยทำสมาธิมามากก็ยังมีความจำเป็นอยู่นั่นเอง ที่จะต้องมารับอิทธิพลอันนี้เพราะบางครั้งมีผู้มีพลังจิตสูงรวมอยู่ด้วยก็ยิ่งจะได้พบกับกระแสจิตแห่งความก้าวหน้าไปในตัวอย่างไรก็ตามผู้ทําสมาธิการรวมหมู่คณะนั้นมีผลแห่งการกําหนดอันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเพียรพร้อมหรือเรียกว่ากระแสเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่า ความนึกคิดของคนเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสนึกอย่างเรานึกไปอย่างเนี้ยพอเวลานึกไปเนี่ยมันจะไปเกิดเป็นกระแสแต่กระแสเนี่ยมันก็มีรูปร่างนะกระแสอันเนี้ยแต่ว่ารูปร่างเป็นนามธรรมแต่เราเองเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่เอ้ยตีละครั้าางก็ได้บ่อยนัดอนะ่ะ ยังไม่จบคือว่าอการเที่เรามีจิตมุ่งคือเรามีจิตมุ่งไปในอันเดียวกันเนี่ยเมันไปเกิดพลังแล้วพลัง น, นั้นเนี่ยมันจะกลับคือย้อนกลับมาเป็นของแต่ละบุคคลให้แก่แต่ละบุคคลเวลาที่เรานึกกระแสไปอย่างเนี้ยเวลาที่จิตของเรานี่นึกเป็นกระแสออกไปเนี่ย ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีกระแสนะที่มันออกไปจากความนึกคิดของคนเนี่ยกระแสเนี่ยแต่ว่ากระแสนอันเนี้ยคนที่ไม่มีกำลังหรือว่ายังไม่พบอธิสมันกายเต็มที่หรือว่ายังไม่มีตาทิพหรือว่ายังไม่มีอะไรเนี่ยเราจะไม่เห็นไอ้กระแสนอันนี้ไอ้กระแสนึกเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบุญเนี่ยนะเราจะแผ่ส่วนกุศล และแผ่ส่วนกุศลเนี่ยมันไปถึงพวกญาติพี่น้องหรือถึงพ่อแม่ได้ยังไงมันออกไปได้ยังไงอันนี้คือออกจากกระแสกระแสทีนี้ผู้ที่เป็นดวงจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยที่ยังไม่ไปเกิดก็ดีหรือว่าที่ไปได้รับความทุกข์อยู่ก็ดีมันก็มีกระแสกระแสมันจะรับกันได้พอกระแสรับกันได้คนนั้นเขาก็ได้บุญจากที่เราเนี่ยทำเอาไป เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากรวดน้ําเนี่ยเราจึงมีกระแสคือคิดความคิดเนี่ยมันเป็นกระแสเพราะมันเป็นกระแสแล้วมันไปได้กับอะมันไปได้กับญาติของเราได้ยังไงมันไปได้เพราะว่าไอ้กระแสกิจท้องฝนเนี่ยพลังมันสูงมากมันจะอยู่ในโบอยู่สวรรค์มาอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยก็จะรับกันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ย เออเรามีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันเช่นอย่างที่เราอยู่ที่เรามานั่งสมาธิกันเนี่ยนี่เรามีห้าร้อยชีวิตอยู่ในเวลาเนี้ยแล้วก็ห้าร้อยใจอยู่ในเวลาเนี้ยแล้วห้าร้อยใจนี่มีความมุ่งอันเดียวกันอย่างนี้ความมุ่งอันเดียวกันมันก็จะเป็นกระแสออกไปพอเป็นกระแสออกไปมาก็าไปรวมกระแสพอไปรวมกระแสอนนี้กลายเป็นพลังกลายเป็นพลังนหนึ่ง เมื่อกลายเป็นพลังอันนี้มันกลายเป็นอิทธิพลที่ได้พูดมาแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อมันกลายเป็นอิทธิพลเมื่อกลับมาถึงกลับมาถึงคณะกลับมาถึงตัวของเราเพราะฉะนั้นการทําสมาธิเป็นหมู่คณะที่เยอะๆเหล่าเนี้ยมันจึงมีผลอันนี้เป็นกรณีพิเศษ เ, เพราะว่ากระแสะอันนี้เมื่อกระแสะนี้ออกไปอย่างเนี้ยคนที่เขามีจิตสูงรู้ว่า มีตาทิพย์หรือว่ามีจิต ท, ที่นั่นได้เนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าไอ้กระแสจิตของเราเนี่ยมันคิดอะไรไปบ้างอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนั่นแหละว่าอหลวงพ่อไปอยู่ในส้วมแล้วหลวงปู่มั่นท่านเข้าไปหาหลวงพ่อได้ยังไงในส้วมกําลังส้วมอยู่ส้วมสมัยก่อนไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เนี่ยจะไปนอนได้มันส้วมหลุมอ่ะ <c oughs> แล้วทีนี้ไอ้กระแสพระ อ, อะไร เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังคิดว่าแหมอยู่กับอาจารย์คงมาแปดปีสู้อยู่อยู่กับวิทยากแก ค, คิดอะไรอยู่ในซ่วมเราก็ตกใจเราคิดจนลืมแล้วอ่ะแต่ท่านก็บอกว่าแก ค, คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดออกไปนี่มันจะเป็นกระแสเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจิตเรามุ่งว่าเราจะทำสมาธิร่วมกันอย่างเนี้ย เมื่อเราจิตท้องเราเนี่ยมันไปร่วมกันอยู่อย่างนี้มันก็กลายเป็นกระแสแล้วกระแสร่วมกันนะอคือว่าคิดมันคนนี้ก็คิดมาถึงจุดนี้คนนี้ก็คิดถึงจุดนี้คนนี้คือจุดนี้มันไปอยู่จุดเดียวกันทีนี้เมื่อมันไปอยู่จุดเดียวกันก็กลายเป็นอิทธิพลพอกลายเป็นอิทธิพลแล้วอันนี้มันก็กลับคืนมาสู่พวกเราอีกทีหนึ่งและเราอาจจะเออิทธิพลอันเนี้ยมันจะไม่ใช่ย่อย มันอาจจะแผลอิทธิพลอันนี้เป็นเ อ, อิทธิฤทธิ์อะไรอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเลเรามานั่งสมาธิกันอยู่ห้าร้อยกว่าชีวิตนี่เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องเหนือธรรมดาอเพราะฉะนั้นเจึงเรียกว่าการทําสมาธิเป็นเป็นคณะมันมีอิทธิพลอันหนึ่งมาช่วยเราได้เราก็ต้องรู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเอ การทำสมาธิที่เป็นคณะนี่ยึงมีความจำเป็นต่อบุคคลผู้ที่ฝึกหัดใหม่และจำเป็นที่ว่า เ, เราจะต้องหาโอกาสเข้าหาหมู่คณะเพื่อที่จะมาทำสมาธิให้เป็นคณะได้อย่างนี้ยังไงเสียมันกเ็เลยเวลาไปหน่อยก็คงไม่ว่ากันแต่ว่า มันก็ต้องเป็นหนี้อยู่จนได้เพราะเมื่อวานนี้หลวงปู่มั่นในวันนั้นเป็นวันที่หลวงพ่อไม่เคยมีความดีใจมากเท่ากันกับหลวงปู่มั่นพูดว่าวิริยังเรามาไปทวดองกันสองต่อสองและเป็นการเดินทวดองของท่านครั้งสุดท้าย และท่านก็ไม่เดินทุดงอีกต่อไปและหลวงพ่อก็ได้ไปเดินทุดงกับท่านในระยะ6กสิบกิโลเมตรในครั้งนั้นและผู้ที่เสนอว่าหลวงปู่อย่าไปเลยหลวงปู่ฟั่นก็มาบอกว่าจะไปด้วยท่านก็บอกมือหนีหลวงปู่เทพบอกว่ามาจะไปด้วยท่านก็บอกมือหนีหลวงปู่แหวนบอกว่าจะไปด้วย ก็เบิกมือนี้อาจารย์ของหลวงพ่อเองจังกงมาเนี่ยลูกติดไปอาจารย์ไปเฮ้ยแกจะมายุ่งว่าเงบ่ได้บ่ได้นในที่สุดท่านก็เลยประกาศว่าทุกคนไม่ต้องไปเงียบเลยที่นี้และทำยังไงหลวงพ่อก็ท่านสงสารหลวงพ่อมากกว่าท่าน ก, รรก็เลยเรียกคนคนหนึ่งมาบอกว่าแกมหาบาต ตกลงเราได้เดินตัวเปล่าหลวงปู่ก็เดินตัวเปล่าก็ดีสิทีนี้ไม่เหมือนไปกับหลวงปู่กงมาเนี่ยโดนตะภายสองลูกทีนี้ตะภายไม่ได้ตะภายเลยทีนี้คนคนนี้มันไม่เต็มเต้งเราก็บอกว่าหลวงปู่ไม่ต้องหรอกผมตะภายได้ สบาทนี่ผมตะภายมาจากจันทบุรีถึงสกลนครแล้วว่างานผมสู้ได้เออหลวงปู่พูดเท่เนี้เฮ้ยแกไม่ต้องให้มันไปทําไมไม่เอาคนที่มันมีสติดีๆไป อ, ะอ่ะมาเอาคนบ้าไปยังไงนี่แหละมันดีมันจะได้ไม่รู้เรื่องเราเราพูดอะไรมันจะได้ไม่รู้เพราะว่าเรามีความลับเยอะอย่างเงี้ย เรื่องของมันอ่ะเราก็เลยจนปัญญาไอ้นั่นก็แล้วก็บอกว่าเกลี้มหาเนแต่ทีนี้หลวงพ่อก็คิดว่าเราก็เชื่อท่านอ่ะไอ้คนบ้าเนี่ถ้าไปฆ่าคนแล้วมันไม่ติดคุกนะคนบ้าเนี่ยเราก็คอยระวังมันอยู่ด้วย <laughs> <laughs> มันจะตีอาจารย์เนี่ยมันจะตีเราอะไรอย่างงี้เป็นตน้นแล้วทีนี้จากนั้น หลวงปูก่ก็ให้ให้มันเดินหน้านะไม่ให้เดินหลังนะเอ๊ะมันก็เดินหน้าไปหลวงปู่ก็เดินตรงกลางหลวงพ่อก็เดินข้างหลังหลวงปู่หลวงปู่นี่ทำไมไม่ให้มาเดินข้างหลังให้มันเดินข้างหน้ า, า, าได้ไงเห้มันเดินข้างหน้าสิมันจะตีเรามาแหละเราลุ้อ่านี่าเ่าก็ได้สติขึ้นมาเอาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่ มีไว้พริบไม่ใช่เล่นนะเนี่ยเวลาที่ h, เสร็จแล้วบางทีไปถึงก็ไปถึงร่มไม้แห่งหนึ่งพอถึงร่มไม้แห่งหนึ่งนี่วิทยางหยุดกันตรงนี้แล้วก็เลยหยุดพอหยุดเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ต้องปวดท้องส่วมใช่ไหมมันก็ต้องเล่นกลางป่าก้เข้าไป เสร็จแล้วก็กลับออกมา <c oughs> เรากลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยออคือว่าเราจะเป็นคนทภายน้ำตะภายน้ำถวายท่าน <c oughs> เสร็จแล้วพอเข้าไปเสร็จถ่ายเสร็จกลับออกมา <c oughs> วิริยังมันนี่อันนี่เรียกนี่แกทำผิดแล้วครับผมทำผิดอะไร แกส่วมแล้วแกทําไมแกแมวน้ําล้างก้นคือวินัยเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าเมื่อเช็ดด้วยไม้หรือเช็ดด้วยกระดาษแล้วจะต้องล้างอีกทีนึ่งมิฉะนั้นเป็นอาบัตอะไรอ่าทีนี้ไอเราก็กลัวประวัติศาสตร์ซ้ํารอยน้ํามันจะหมดอ่าเราก็ไม่กล้าเอาน้ําล้างอ่าแล้วเราก็ต้องเก็บน้ําไว้บอกว่า ผมกลัวจะประวัติศาสตร์ซ้ารอยผมฉันน้าพระอาจารย์ผมหมดนะแล้วผมก็โดนฉันขี้ควายด้วย <laughs> น้ำขี้ควาย <laughs> โดนไปแล้วเฮ้ยเรื่องของวินยัยนะก็คือวินยัยเพราะฉะนั้นแม่อยู่ในที่ลับและอยู่ในที่แจ้งคุณไม่ควรที่จะถือว่าถ้าอยู่ในที่ลับ แล้วเราจะไปทำผิดวินัยอยู่ในที่ลับและอยู่ในที่แจ้งคุณจะต้องรักษาวินัยทั้งในที่ลับและทั้งในที่แจ้งจบไว้ตรงนี้ก่อนนะยังเดินไปไม่ถึงนครพนม อ, อยากจะให้ถามปัญหาข้อที่อธิบายมาเมื่อวานเนี่ย สมาธิกับการรักษาโรคมันยังคลุมเครืออยู่ใครสงสัยยังไงก็อถามปัญหาในเรื่องของมาวานี้ได้ตามอัทยาศัย <c oughs> ต่อไปก็คงจะต้องตั้งแต่เบอร์เก้าร้อยแปดสิบนะก็ขอเชิญคุณอาทิตย์วังวสุ ลาบธรรสการท่านอาจารย์หลวงพ่อครับก็ผมยังตั้งหลักไม่ทันที่จะถามปัญหาที่ท่านอาจารย์สอนเมื่อวานขอขออนุ ญ, ญาตถามคําถามปัญหากกเก่า ก, ก่อนนะครับอได้ไดตามที่หลวงพ่อได้สอนพวกเราว่าในการทําสมาธินั้นเป็นความจําเป็นเบื้องต้นที่เราจะต้องบริกรรมเพื่อให้จิตเป็นสมาธิแม้แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็บริกรรมในการทำสมาธิเบื้องต้นคำถามของก็ผล ม, มีว่ามีการบันทึกหน้าที่ใดหรือไม่ว่าองค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์บริกรรมว่าอะไรข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองการทำสมาธิที่หลวงพ่อได้สอนพวกเหล่านั้นเนี่ยผู้ที่ไม่นับถือศาสนาพุทธสามารถจะปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าหาคำตอบบอกว่าปฏิบัติได คำบริกรรมนั้นควรจะใช้ว่าอะไรในภาษาไทยและภาษากังกครับขอบพระคุณครับคือว่าอย่างพระพุทธเจ้าคำว่าบริกรรมนั้นหมายความถึงว่าการกระทำอยู่ด้วยการติดต่อโดยการติดต่อนั้นสิ่งที่จะทำให้ความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นนั่นคือคำบริกรรม ทีนี้คำบริกรรมนั้นเราก็ไม่ปรากฏว่าไม่ปรากฏชัดว่าคําบริกรรมที่พระพุทธเจ้าบริกรรมนั้นบริกรรมว่าอะไรแต่ว่าในการที่พระพุทธเจ้าในวันตัดสู้พระองค์ก็สําเร็จปุพเพนิวาสานุสติยานหรือว่าได้สําเร็จฌานในเบื้องตน้น ในสำเร็จฌานในเบื้องต้นก็คือตั้งแต่ปฐมฌานไปผู้ที่จะเป็นปฐมฌานจะเป็นเลือสีก็ตามจะเป็นใครก็ตามที่ไหนก็ตามถ้าปฐมฌานแล้วต้องมีการบริกรรมและหลักฐานตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพานในคำพิมม์มหาปรินิพานสูตรนั้นก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นได้บริกรรม คือพระเจ้าต้องเข้าปฐมฌานทาุติยฌานตัตยฌานจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติเสร็จแล้วก็กลับมาออถอยกลับมาจากรูปฌานมาสู่รูปฌานทีนี้ก็มาเข้าปฐมฌานแล้วก็ทุ ต, ติยฌานตัตยฌานถึงจะตุตยฌานกับป ร, รินิพานในที่นั้นแสดงว่าเกิดการบริกรรมขึ้นแล้ว และที่นี้สำหรับฤาษีก็ดีเขาก็ได้ฌานชช่นเดียวกันและสำหรับนักพรตต่างๆทั้งหลายศาสนาก็ดีเขาก็ได้ปฐมฌานพุทยาฌานกันแสดงว่าเขาก็บริกรรมเพราะฉะนั้นคำบริกรรมนี่จะเป็นอถิก็ได้จะเป็นมังโซมังสะก็ได้หรือจะเป็น จะเป็นอฐิก็ได้หรือว่าอธิอธิอย่างนี้หรือว่าเกษาเกษาโลมาโลมานักาอย่างนี้โดยมากเขาจะใช้ในร่างกายเนี่ยอย่างพวกฤาษีตลอดจนกระทั่งอันดับแรกหลวงพ่อคิดว่าเขาคงใช้เกษาเกสาเกษาเกษาอย่างนี้ก็ได้หรือโลมาโลมาโลมาขนก็ได้อนักขานักหาเล็บันตาฟันอะไรที่เขาจะบริกรรม แต่เขาจะต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะ้ชื่อว่าเป็นคําบริกรรมอันี้เกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาพูทที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาจะเป็นคริสต์หรือเป็นอิสลามก็ตามเขาสามารถที่จะบริกรรมได้ตามอัธยาศัยเมื่อเขานับถือพระเยซูเขาก็จะพูดว่าพระเยซูนึกเยซูก็ได้หรือว่าจะนึกอัลลาก็ได้ แต่ว่าคำบริกรรมนั่นนะ่ะถือว่าเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้จิตเขาสงบพอจิตสงบลงไปอีกระดับหนึ่งนี่หมายความว่าประสมชานผ่านไปทุติยชานผ่านไปพอผ่านไปได้หลายชานแล้วนี่จิตมันจะละอารมณ์ทีนี้อย่างที่เราเกล่าวกันในเวลาเนี่ยว่าพทโก็ดีสัมมาอรหังก็ดี หรือว่าจะอะไรก็ตามที่บริกรรมนั้นน่ะอันนี้คืออารมณ์พอาเวลาถึงข่าวจริงๆถอยแล้วอารมณ์เหล่านี้จะถูกตัดไปไม่มีอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงขั้นนั่นแล้วเอพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระเยซูก็ไม่มีพระอาราัก็ไม่มีหรือพระอะไรก็ไม่มีเพราะว่าจิตที่มีอยู่นั่นน่ะมีอยู่เพราะอารมณ์นึกคิดเลยจากอันนี้ไปแล้วจิตจะเข้าอีกระดับหนึ่ง พอไปถึงระดับนั้นนะก็ไม่มีแต่เบื้องต้นเนี้ยใครจะทําอะไรนั้นหรือถึอศาสนาไหนไม่มีปัญหาที่ว่าจะบริกรรมหากเขาไม่ถนัดในการจะบริกรรมถึงพระศาสดาเช่นพระพุทธเจ้าเขาก็บริกรรมเกศาเกสาเกสาก็ไม่เป็นไรอะไรจบตรงนี้กลับขอบคุณครับ